จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้เพราะที่นี่จะมีการแสดงธรรมสามสิบนาทีในช่วงแรกแล้วก็ตามด้วยการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมอีกสามสิบนาทีด้วยกัน นี่คือการปฏิบัติของสถานที่แห่ง น, นี้ในทุกวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตตเลิกวันพระจะมีการแสดงธรรมปฏิบัติธรรมตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงขึ้นไปสามสิบนาทีแรกเป็นการแสดงธรรมตามด้วย การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอีกสานาทีด้วยกันหลังจากนั้นก็จะมีการทำบุญทำทานถวายข้าวของแล้วก็จะตามด้วยการถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ ต, าต่างๆนี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ทมที่จะนำมามาแสดง ในวันนี้นั้นก็มีหัวข้อว่าชีวิตไม่ได้สิ้นสุดลงที่ความตายความตายนี้ไม่ใช่เป็นที่สิ้นสุดของชีวิตเพราะว่าชีวิตผู้ดําเนินชีวิตไม่ได้เป็นผู้ตายนั่นเองผู้ที่ตายนั้นไม่ได้เป็นผู้ดําเนินชีวิตเป็นผู้เป็นตัวประกอบของชีวิต คือร่างกายนี้เป็นตัวประกอบของชีวิตผู้ดำเนินชีวิตคือใจที่เป็นธาตุรู้นี้ไม่ได้ตายไปกับตัวประกอบคือร่างกายร่างกายตายไปใจยังอยู่ต่อไปใจยังดำเนินชีวิตต่อไปได้อยู่แต่จะดำเนินชีวิตในอรูปแบบหนึง่ง คือในรูปแบบของการไปอยู่ในแดนเนรมิตมอยู่ในโลกทิพย์<ม>เวลามีร่างกายก็ดำเนินชีวิตอีกรูปแบบหนึง่งก็คืออยู่กับร่างกายอยู่ในโลกกระธาตุอยู่ในโลกที่พวกเรากำลังอยู่กันในขณะ น, นี้เรียกว่าโลกกระธาตุ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นองค์ประกอบของร่างกายสนใจผู้ดำเนินชีวิตนี้เป็นธาตุรู้ก็มาครอบครองร่างกายแล้วใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตพาให้ใจไปทำอะไรต่างๆ ตามความปรารถนาของใจได้สิ่งที่ใจปรารถนาอยากจะได้จากโลกกาต น, นี้ก็คือความสุขจากโล ก, กธรรมทั้งสี่คือลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆการจะดำเนินชีวิตในรูปแบบนี้ได้หาความสุขจากโลกกาตุโลกกธรรมทั้งสี่ได้ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือเครื่องมือนี้ก็คือร่างกายที่เป็นส่วนประกอบของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่จะมารวมตัวกันให้ปรากฏเป็นร่างกายหญิงบ้างชายบ้างแล้วก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือของใจ ใจจะมาครอบครองร่างกายตั้งแต่เวลาที่มีการตั้งทันขึ้นมาในท้องของมารดาแล้วก็รอจนกว่าร่างกายจะเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วคลอดออกมาถึงจะเริ่มมีความสามารถที่จะสั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความต้องการของใจได้ เช่นเวลาออกมาก็จะมีการร้องเป็นส่วนใหญ่ส่งสัญญาณให้แม่ให้พ่อรู้ว่าต้องการอะไรต้องการน้ำบ้างต้องการอาหารบ้างต้องการความอบอุ่นบ้างต้องการที่จะมีอะไรได้ดูได้ยินได้ฟังบ้างเป็นต้นก็มักจะร้องขึ้นมาเวลาที่มีความต้องการอะไร พ่อแม่ก็จะหาสิ่งต่างๆมาให้ตามความต้องการพอได้สิ่งที่อยากได้ก็จะหยุดร้องไห้ไปเชื่อกล่าวแล้วพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็ร้องขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆอ น, นี้เป็นการทำงานของใจเป็นผู้ดำเนินชีวิตโดยใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือ ในการดำเนินชีวิตของใจในโล ก, กทาตเพื่อหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลึกภาพต่างๆไปอยู่เรื่อยๆอทุกวันที่ตื่นขึ้นมาก็เริ่มใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆที่อยากได้ อ, อยากทำอะไรอยากดูอะไรอยากจะฟังอะไรอยากจะกินอะไรอยากจะดื่มอะไร ก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือไปดำเนินชีวิตไปจนเริ่มเข้าสู่วัยชราเข้าสู่การเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายและในที่สุดก็ต้องถึงความตายของร่างกายออตะร่างกายตายไปใจที่ไม่ได้ตายกับร่างกายนี้ยังอยู่ต่อ ชีวิตยังถือว่ายังอยู่ต่อเพราะตัวที่เป็นชีวิตก็คือใจไม่ใช่ ร, ร่างกาย ร, ร่างกายเป็นตัวประกอบหรือเป็นเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองเมื่อไม่มีเครื่องมือชนิดนี้ใจก็ยังสามารถอยู่ต่อได้ดําเนินชีวิตต่อไปได้แสวงหาความสุขต่อไปได้ในขณะที่ไม่มี ร, ร่างกาย การดำเนินชีวิตก็จะเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของดวงวิญญาณสิ่งที่ดวงวิญญาณจะใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปก็คือบุญหรือบาปที่ได้สะสมไว้ในขณะที่มีชีวิตยอยู่นี่เองเพราะบุญนี้บุญหรือบาปนี้จะเป็นผู้เนรมิตเป็นผู้สร้างเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาในแดนเนรมิต คือในโลกทิพนี้เป็นเหมือนแดนในเรมิตที่บุญและบาปนี้จะเป็นผู้สร้างเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาที่เราเรียกว่าความฝันนี้เวลาที่ร่างกายนอนหลับก็เหมือนกับร่างกายตายไปชั่วคราวตอนที่นอนหลับนี้ไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตได้ ใจก็เลยใช้บุญหรือบาปเป็นเครื่องมือแทนถ้ามีบุญมากกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้และผู้สร้างเหตุการณ์ต่างๆให้กับใจได้เสพได้สัมผัสคือเรื่องราวต่างๆที่เราเรียกว่าความฝันนี่เองถ้าเรานอนหลับแล้วฝันดีอันนี้ก็เป็นผลของการในระมิดของบุญ บุญนี้จะส่งผลต่อใจคือให้ความสุขแก่ใจด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่น่าชื่นชมยินดีฝันดีเป็นต้นในทางตรงกันข้ามถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะเป็นผู้ผลิตเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาในแดนในมิตนี้ ก็จะผลิตเรื่องราวที่น่ากลัวเรื่องราวที่โหดร้ายทารุณเรื่องราวที่มีแต่ความทุกข์ยากลาบากต่างๆเป็นต้นที่เราเรียกว่าฝันร้าย mm hmm. เราคงไม่ปฏิเสธว่าเราเคยนอนหลับแล้วมีฝันดีบ้างมีฝันร้ายบ้าง mm hmm. เพราะว่าในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่นี้เรากำลังเติมบุญเติมบาปไปสลับกันไป บางวันบาปก็จะมีมากกว่าบุญคืนนั้นเราก็มักจะฝันร้ายกันบางเวลาบุญเราทำไว้มีมากกว่าบาปตอนนั้นคืนเราก็จะฝันดีกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราจึงยังสามารถมีความฝันได้ทั้งสองรูปแบบฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างกนอยู่กับว่า บุญและบาปที่เราได้ทำไวสะสมไว้ในใจเรานี้ส่วนไหนมีมากกว่ากันถ้าช่วงที่เป็นบุญมากกว่าบาปช่วงนั้นมักจะฝันดีถ้าช่วงที่บาปมีมากกว่าบุญช่วงนั้นจะฝันลายนี่แหละคือโลกของของความของชีวิตที่ ไม่ได้ตายไปกับร่างกายคือโลกของจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ช, ชีวิตยังดำเนินต่อไปได้โดยที่ไม่มีร่างกาย<ม>แล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับตอนที่มีอยู่มีร่างกายเลยเวลาที่เราฝันนี่เราคิดว่าเรามีร่างกายกันทคิดว่าเราอยู่ในอยู่ในความฝันคิดว่าเราไม่ได้ตายคิดว่าเราไม่ได้นอนหลับ เวลาเราอยู่ในโลกของความฝันนี้ก็เป็นเหมือนกับโลกของเหมือนกับโลกของความจริงที่มีร่างกายอยู่ในตอนนี้ไม่ต่างกันเลยเราจะไม่รู้ว่าเป็นความฝันต่อเมื่อหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาแล้วท่านั้นเราถึงรู้ว่าอ๋อเมื่อคืนนี้เราฝันดีหรือเราฝันร้ายแต่ในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆเหตุการณ์ที่ดีก็ตามหรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็ตาม ในช่วงนั้นเราไม่รู้ว่าเรากำลังฝันกันเราคิดว่าเป็นเรื่องจริงคิดว่าเรากำลังมีความสุขเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่ดีหรือมีความทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีปรากฏขึ้นมาในใจของเราดังนั้นชีวิตของเราจึงไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตายชีวิตของเรานี้เปลี่ยนรูปแบบการดาเนินชีวิตเท่านั้นเอง ถ้าเรามีร่างกายเราก็ดำเนินชีวิตในรูปแบบที่มีร่างกายเช่นตอนนี้ร่่งกายเราไม่ตายเราก็ดำเนินชีวิตด้วยการพาร่างกายเราไปทําอะไรต่างๆแล้วตอนคืนพอเวลาเรานอนหลับตอนนั้นร่างกายก็เหมือนขอตายชั่วคราวนอนหลับ8ปดชั่วโม ง, งนีช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราจะดำเนินชีวิตในรูปแบบหนึ่ง สังเกตดูคืนนี้ก็ได้คืนนี้นอนแล้วเป็นยังไงจะฝันดีหรือจะฝันร้าย<ม>หรือว่าเมื่อคืนนี้นอนแล้วฝันดีหรือฝันร้าย<ม>นั่นแหละคือการดำเนินชีวิตในขณะที่ร่างกายไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมในในขณะที่ร่างกายนอนหลับหรือในขณะที่ร่างกายตายไป นี่แหละคือเรื่องราวของชีวิตของพวกเราทุกคนชีวิตของพวกเราจึงไม่ได้สิ้นสุดลงที่ความตายความตายไม่ใช่เป็นที่สิ้นสุดของชีวิตเพราะใจผู้ดำเนินชีวิตนี้ไม่มีวันตายเหมือนกับภาพยนตร์ภาพยนตร์ทำไมเขาถึงมีภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเพราะว่าตัวแสดงนํานี้ไม่ได้ตาย ภาคหนึ่งตัวแสดงนำยังไม่ตายเขาก็มีภาคสองมาต่อได้แต่ตัวประกอบนี้อาจจะตายไปตัวประกอบอาจจะเป็นผู้ร้ายบ้างผู้ช่วยบ้างที่อาจจะตายไปแต่ถ้าตาบไดตัวตัวนำแสดงนั้นไม่ได้ตายเขาก็สามารถสร้างภาคที่สองภาคที่สามต่อมาได้ใจก็เหมือนตัวตัวแสดงนำของชีวิตที่ไม่ได้ตายไปกับตัวประกอบ ตัวประกอบก็คือร่างกายนี้ต้องตายไปเรื่อยๆทุกตอนเนี่ยร่างกายของเราตอนนี้เดี๋ยวถึงเวลามันก็ต้องตายไปพอมันตายไปภาพยนตร์ก็เปลี่ยนไปสู่ภาคสองเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่เราก็ได้ร่างกายอันใหม่อีกการหนึง่งเราก็<ม>เราก็เล่นภาคสองต่อเวลาที่มีร่างกายแล้วพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปเล่น เล่นในรูปแบบหนึ่งเล่นในรูปแบบของของความฝันอาศัยบุญหรือบาต ท, ที่เราทําเป็นผู้สร้างเหตุการณ์ต่างๆให้เราได้สัมผัสแล้วพอเราได้ร่างกายอันใหม่เราก็มาเล่นภาคสามภาคสี่ไปเรื่อยๆตอนนี้พวกเราไม่รู้ว่าภาคเล่นภาคที่เท่าไหร่นะเพราะเราเราได้ร่างกายมานี้ไม่รู้กี่ ก yes. mm. ี่ร่างแล้วถ้าอยากจะรู้ปริมาณของร่างกายที่เราได้ได้เปลี่ยนมาได้มีมานี้ก็ลองเอาน้ำตาที่เราที่ร่างกายต้องหลังในแต่ละภาคเกิดมาทุกคนนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าร่างกายจะไม่หลังน้ำตาเกินต้องล้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าเราเอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละภพชาติในแต่ละภาคนี้มารวมกันเนี่ยจะได้น้ํายิ่งมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรคิน ด, ดูก็แล้วกันว่าน้ําในมหาสมุทรนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วเราจะต้องมาเกิดมาร้องหม่มร้องไห้กี่ครั้งด้วยกันถึงจะได้น้ำมากน้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนี่แหละคือจํานวนภาค ของชีวิตของพวกเราที่เราได้มาแสดงมาเล่นกันมาได้ร่างกายเป็นตัวประกอบกันและยังจะดำเนินการต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่รู้ว่าเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่หรือว่าถ้าเรารู้แลวเรายัางไม่สามารถระ ง, งับ เหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันได้อยู่เราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆหลั่งน้ำตาไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าพบไหนชาติไหนได้มาเกิดมาเจอกับพระพุทธศาสนาเช่นพบนี้ชาตินี้ เราก็จะได้รู้จักเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของชีวิตของพวกเราเราจะได้รู้ว่าเรานี้ชีวิตของเรานี้ไม่มีวันตายชีวิตของเรานี้ดาเนินการไปเรื่อยๆเปลี่ยนร่างกายมาเรื่อยๆและจะเปลี่ยนร่างกายอย่างนี้ต่อไปอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่มีร่างกายก็ต้องมาร้อง ห, องห่มร้องไห้กับความทุกข์ที่เกิดจากการมีร่างกาย เพะนัมีร่างกายแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับความแก่ของร่างกายทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายทุกข์กับความตายของร่างกายทุกข์กับการพลาดพาดจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่เรารักเราชอบทุกข์กับการที่จะต้องมาเจอกับสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆที่เราไม่ชอบเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราจะ มีโอกาสได้เรียนรู้ถ้าเราได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอย่างพบนี้ชาตินี้เป็นต้นซึ่งเป็นโอกาสที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเรา<ม>เพราะว่าการมาเกิดมาเจอกับพระพุทธศาสนานี้มันไม่ได้เป็นของง่าย<ม>ท่านบอกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยาก ยากกว่าการมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดูจำนวนสัตว์เดรัจฉานที่มีอยู่ในโลกนี้กับจำนวนประชากรของมนุษย์เนี่ยอย่างไหนจะมีมากกว่ากันสัตว์นี้สัตว์เดรัจฉานนี่มีมากมายกว่าหลายล้านเท่าด้วยกันมดมแมลงนี่เวลาเขาเกิดเขาเกิดเป็นฝูงปลาเอย่ยสัตว์ต่างๆเอยเขาเป็นเกิดมาเป็นค้อกเป็นฝูงกัน เกิดง่ายการเป็นสัตว์เดราชฉานนี้เกิดง่ายเพราะมีพ่อแม่ที่เป็นสัตว์เดราชฉานมากแต่การจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้มีพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์นี้มีน้อยกว่าเยอะและสมัยยิ่งมันสมัยที่มีมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความรู้จะวิธีการป้องกันการกำเนิดมีวิธีการวางป้องกันไม่ให้มีการเกิดขึ้นมา ยิ่งทำให้การเกิดขึ้นมานี้มียากขึ้นมากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์จึงถือว่าเป็นเป็นเรื่องยากกว่าการได้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน<ม>เป็นหลายล้านเท่าด้วยกันถ้าเราลองเอาจำนวนของสัตว์เดรัจฉานมามาเปรียบเทียบกับจำนวนของมนุษย์ดูจำนวนสัตว์ของเดรัจฉานนี้มีมากกว่าเป็นล้านล้านเท่า ของจำนวนของสัตว์ของมนุษย์นั้นมนุษย์การจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีพ่อแม่เป็นมนุษย์ถ้ามีพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์มีจานวนน้อยการเกิดก็จะมีโอกาสน้อยที่จะได้มาเกิดแล้วยิ่งถ้ามีการคุมกําเนิดขึ้นมาอีกการเกิดก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกหลายหลายเท่าด้วยกันท่านหนึงบอกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากมากแล้วยาก สิ่งที่ยากสิ่งที่สองก็คือการเกิดของพระพุทธเจ้าเกิดของพระพุทธศาสนาก็เป็นของยากข้อหนึ่งการจะมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ก็ต้องมีพระโพธิสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้บำเพ็ญปฏิบัติได้ตัดสลุบเป็นพระพุทธเจ้าอีกก็เป็นของยากพระโพธิสัตว์แต่ละรูปก็จะได้ตัดสรุบเป็นพระพุทธเจ้านี้ ต้องบำเพ็ญบุญบา ร, รมีเป็นเวลาเป็นหลายล้านล้านปีด้วยกันหลายล้านล้านชาติด้วยกันในการมาเกิดเป็นมนุษย์จนกว่าจะได้มาตัดสรตวเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของพวกเรานี้ท่านได้บำเพ็ญบา ร, รมีมาหลายล้านล้านชาติด้วยกัน <S S S เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละครั้งก็มาบำเพ็ญบา ร, รมีอย่างอย่างได้อย่างหนึง่ง สะสมไปเรื่อยๆจนในที่สุดบารมีต่างๆที่ได้สะสมไว้ก็มีพร้อมที่จะทำให้ตัดสั้ได้ก็เลยได้ตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้า <c oughs> คือเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ออกบวชในขณะที่มีอายุยี่สิบเก้าปีบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมเป็นนักบวชอยู่หกปี ก็ได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในคนพบหัวใจหรือเรื่องของเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดและเหตุที่พาให้สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้มาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็คือสองคนพบว่าชีวิตของเหล่านี้ไม่ได้ตายที่ร่างกายเพราะใจนี้ไม่ได้ตายใจไม่มีวันตาย ใจเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายแต่ใจจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะใจมีความอยากมีตัณหาความอยากอยากจะมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากโลกกระทำทั้งสี่เกิดาบยศจรลเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆการที่จะมีความสุขจากโลกกระทำได้ก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือ จึงเป็นเหตุที่พาให้ใจนี้มาคอยรอรับร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่พ่อแม่ที่กําลังมีเพศสัมพันธ์กันพอมีเพศสัมพันธ์กันก็จะมีการรวมตัวของธาตุสี่ของพ่อและของแม่มาสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมาตอนนั้นก็จะมีดวงวิญญาณเข้ามาเกาะมาครอบครองร่างกาย อันใหม่ที่กำลังจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเราก็เลยมีการปฏิสนธิมีการตั้งคันกันขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติว่าในยุคปัจจุบันนี้เขามีวิธีคุมกำเนิดเวลาที่จะตั้งคันก็ตั้งคันไม่ได้ดวงวิ ญ, ญญาณที่จะรอมาเกาะเพื่อได้น่างกายอันใหม่ก็ยังต้องรอรอไปก่อนรอไปหาคู่ที่เขาไม่มีการคุมกาเนิด คู่ที่เขาอยากจะมีก็มีบ้างเหมือนกันคนในโลกนี้ก็มีหลายรูปแบบบางคนก็อยากจะมีลูกบางคนก็ไม่อยากจะมีลูกก็ต้องไปรอจังหวะที่มีลูกคนใหม่ปรากฏขึ้นมาในท้องแม่ดวงวิญญาณใครโชคดีหรือจังหวะพร้อมที่จะไปครอบครองก็จะไปได้ครอบครองร่างกายใหม่แล้วก็คลอดออกมาแล้วก็มันจะเริญนตอบโตบแล้วก็ ทำสิ่งต่างๆ ต, ตามความอยากของใจ mm. ความอยากของเจ้าชายสิทธัตถะก็คืออยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ mm. ก็เลยใช้ร่างกายนี้ไปสู่การปฏิบัติค้นคว้าหาความจริงว่าความทุกข์นี้เกิดจากอะไร mm. และการที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้นั้นทำทำได้อย่างไรอ mm. ะไรเลยสองค้นพบพระอริยสัจสีขึ้นมา จงค้นพบว่าการมาเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นความทุกข์นะเหตุที่พาให้มาเกิดแก่เจ็บตายก็คือความอยากความอยากหาความสุขจากโลกกระทำจากลาบยศสรรเสริญสุขถ้าอยากจะยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆก็ต้องระงับความอยากให้ได้การจะระงับความอยาก ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้จาเป็นจะต้องมีเครื่องมือเครื่องมือนี้ท่านเรียกว่ามรคมรค ก, ก็คือวิธีการปฏิบัติฝืนความอยากต่างๆนี่ เ, เรียกว่ามรคที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติทานศีลภาวนานี้คือมรควิธีการปฏิบัติที่จะฝืนความอยากในใจของเราให้มันหมดสิ้นไป เพเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะนี้คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาทรงสละราชสมบัตินี่ก็เ ร, เรียกว่าเป็นการทําทานคือยุติการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นล้นนั่นเองอก็ด้วยการสละธรว่ท า, ทานก็คือการสละความสุขทางการมาสุขไปให้หมดนะ สละความสุขจากรูการหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากน้อยเพียงไรก็สละไปหมดแล้วก็ไปออกไปบวชไปรักษาศีไปไประงับการกระทำบาปต่างๆระงับการกระทำหาความสุขทางการรมให้หมดแล้วก็บาเพ็ญจิตตภาวนาพัฒนาจิตใจ ให้มีพลังที่จะหยุดความอยากให้ได้ก็คือสมาธิและปัญญาพอพัฒนาสมาธิได้มีปัญญาได้ก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่พาให้มาวินว่ายตายเกิดได้พอหยุดความอยากต่างๆที่หมดไปในใจแล้วการเกิดก็ไม่มีต่อไปสมจะสำหรับใจของพระพุทธเจ้า พระพุเจ้ายังรู้อยู่ในใจว่าตอนเองนี้ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ยังไม่รู้เหมือนพวกเรานี้ให้ได้รู้ให้ได้รู้ว่าเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่แล้วเราทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็ต้องมาทุกกับการแก่การเจ็บการตายเป็นต้น ถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราก็ต้องมาหยุดเหตุที่พาให้เรามาเกิดก็คือความอยากต่างๆความอยากหาความสุขจากลาบยศสารเสริญด้วยการปฏิบัติทานก็คือเสียสละทรัพสมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่นี้ไปให้หมดเราไปอยู่แบบนักบวชกันไปอยู่แบบขอทานไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อความสุขต่างๆ เหมือนตอนที่เราเป็นคาราวาสผู้ครองเงินได้ตอนที่เราเป็นคาราวาเราก็ใช้เงินทองไปซื้อนู่นซื้อนี่นมามาเสพกันแต่มันเสพแล้วมันติดมันจะทำให้เราต้องหาอยู่เรื่อยๆแล้วซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยก็เลยต้องสละราชสมบัติไปสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปแล้วมารักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบตามลาดับ แล้วก็มาพัฒนาจิตใจด้วยการปฏิบัติสมาธิและปัญญาที่เรียกว่าจิตตะภาวนาก็จะสามารถที่จะกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ <c oughs> ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดำเนินชีวิตในอีกรูปแบบหนึง่งคือในรูปแบบของการไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดชีวิตไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดเพราะชีวิตนี้เป็นธาตุรู้ ถ้ารู้นี้เป็นท่าที่ไม่มีวันตายแต่ว่าจะดำเนินชีวิตของท่ารู้แบบไหนแบบเวียน่หวตายเกิดหรือ แ, แบบไม่เวียนไหวาตายเกิดเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีเวียนวิธีดำเนินชีวิตโดยการไม่ต้องมาเวียนไหวาตายเกิดก็คือหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติทานสิงภาวนานี่คือคาสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามา ศึกษามาปฏิบัติกันถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตในรูปแบบที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดดำเนินชีวิตแบบที่มีแต่ความความสุขไม่มีไม่มีความทุกข์อยู่ในใจของเราเลยก็คือดำเนินชีวิตอยู่ในพระนิพพานนี่ด้วยการกําจัดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาอันนี้ก็คือเรื่องราวของชีวิตของพวกเราทุกคน ที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเป็นตัวประกอบเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวชีวิตตัวชีวิตนี้คือธาตุรู้คือใจผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีวันตายนล้จะอยู่ต่อไปอยู่เรื่อยๆจะอยู่แบบไหนเท่านั้นเองอยู่แบบเวียนว่ายตายเกิดหรืออยู่แบบไม่มีไม่ไม่เวียนว่ายตายเกิดถ้าเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องเจอแต่ความทุกข์ไปทุกภพ ท, ทุกชาติถ้าไม่อยากเจอความทุกข ทุกภพทุกชาติก็ต้องหยุดการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาให้ครบให้ให้ครบบริบูรณ์ให้เต็มร้อยถ้าเราสามารถทําทานศีลภาวนาได้เต็มร้อยเราก็จะกําจัดเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือความอยากต่างๆพอเรากําจัดได้แล้วเราก็จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่ดําชีวิตเรายังดําเนินต่อไปอยู่แต่อยู่ในพาวนิพาน์ แทนที่อยู่ในในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเองนี่คือเรื่องธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้เวลาสำหรับการแสดงธรรมมันก็หมดลงก็เลยต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้เพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เหลือนี้มาให้กับการปฏิบัติธรรมขั้นสมาธิขั้นปฏิบัติธรรมขั้นแรกก็คือสมาธิหยุดความอยากด้วยสมาธิ แล้วเราหยุดเมื่อเราหยุดความอยากด้ว ย, วยสมาธิได้แล้วขั้นต่อไปเราก็จะหยุดความอยากด้วยปัญญาขั้นสมาธินี้เราหยุดความอยากได้ชั่วคราวเวลาอยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิความอยากก็จะเกิดขึ้นใหม่ถ้าเราอยากจะให้ความอยากที่เกิดขึ้นใหม่เวลาที่ออกจากสมาธิไม่เกิดเราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการทําตามความอยากนี้ นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด น, นำไปสู่ความทุกข์พอเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะได้หยุดทำตามความอยากได้ดังนั้นตอนนี้เราจะมาหยุดความอยากกันด้วยการปฏิบัติการนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้ก็คือการหยุดความคิดหยุดการทำงานของใจไว้ชั่วคราวเวลาใจหยุดทำงานหยุดความคิดความอยากก็ไม่สามารถทางานได้ เพราะความอยากอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือเช่นถ้าเราคิดถึงขนมเราก็จะอยากกินขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่คิดถึงขนมเราก็จะไม่อยากกินคิดถึงที่ท่องเที่ยวขึ้นมาเราก็อยากจะไปเที่ยวกันแต่ถ้าเราไม่ได้คิดถึงที่ท่องเที่ยวเราก็จะไม่ได้ไม่ไปไม่มีความอยากไปเที่ยวกันดังนั้นการหยุดความอยากในเบื้องต้นนี้ต้องหยุดด้วยการหยุดความคิดเพราะเป็นวิธีง่ายกว่าและจำเป็น กว่าขั้นของปัญญาซึ่งเป็นขั้นที่ยากกว่าแล้วต้องอาศัยขั้นสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเห็นเบื้องต้นเรามาหยุดความอยากกันด้วยการหยุดความคิดด้วยการนั่งสมาธิการที่จะทําให้จิตนิ่งสงบหยุดความอยากให้จิตมีความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากนี้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจควบคุมความคิดไม่ให้ใจไปคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆให้ได้ ด้วยการใช้อารมณ์ที่เราเรียกว่ากรรมฐานเป็นที่ผูกใจเอาไว้มีสติบังคับใจให้อยู่กับกรรมฐานเช่นกรรมฐานที่เราใช้กันอยู่เรื่อยๆประจําที่รู้จักกันดีก็คือพุโทโธพุธโทโธให้เราอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเวลานั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆนั่งเฉยๆใจจะคิดเมื่อคิดแล้วจะไม่นิ่งไม่สงบไม่มีความสุขเพราะมีความอยากมาคอยรบกวนใจ แต่ถ้าเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปได้เรื่อยๆความอยากก็จะความคิดจะค่อยๆหยุดไปแล้วพอความคิดหยุดนิ่งไปความอยากก็จะหายไปความสุขใจเบาใจสบายใจก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้คือหลักการของการนั่งสมาธิคือให้มีสติควบคุมใจให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งซึ่งมีหลายหลายรูปแบบของกรรมฐานด้วยกัน ถ้าเราเคยใช้กรรมฐานแบบไหนที่ใช้ได้ทำได้ผลดีทําใจให้นิ่งให้สงบได้เราก็ใช้ผลกรรมฐานอย่างนั้นไปไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กรรมฐานเหมือนกับที่ได้แสดงไวนะ้ณที่สถานที่แห่งนี้หรือกรรมฐานที่คนอื่นเขาใช้กันอันนี้แต่ละคนสามารถเลือกได้ตามอัจยาศัยตามความเหมาะสมบางคนก็ นั่งไม่ไม่ชอบดูไม่ชอบพุทธโธก็ชอบดูลมหายใจเฉยเฉยก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกไปก็ได้บางคนชอบใช้ทั้งสองอย่างลหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทอย่างนี้ก็ได้บางคนยังดูลมไม่ได้ยังพุทธโธไม่ได้เพราะใจยังฟุ้งอยู่ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดบทแผ่เมตตาไปก็ได้สัพเพสัตตาเวลาหหนตุ ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงไม่มีเวรกันเถิดสวดไปหลายๆรอบสวดไปเรื่อยๆจนมีความรู้สึกว่าความฟุ้งซ่านเบาไปหายไปแล้วค่อยกลับมาดูลมเลื่อมาพุทโธต่อก็ได้บางคนสวดก็ยังสวดไม่ได้ก็อาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้อย่างที่นี่เราก็มีการฟังธรรมไปก่อนสาสบนาทีก็เป็นวิธีกล่อมใจในรูปแบบหนึ่ง ต่ตอนเริ่มต้นอาจจะคิดมากคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอมานั่งฟังเทศฟังธรรมความคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จางหายไปจากใจพอฟังธรรมเสร็จก็พร้อมที่จะนั่งสมาธิต่อไปได้เป้าหมายของการนั่งสมาธินี้ต้องการให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้เกิดความสุขขึ้นมาไม่ไม่มีเป้าหมายอย่างอื่นไม่ต้องการมีจิที่ปฏิหารไม่ต้องการ เห็นสวรรค์เห <con> <ium> ็นนรกหรือเห็นอะไรทั้งสิ้นเห็นอะไรนี้แสดงว่าใจยังไม่สงบดังนั้นอย่าไปเห็นเวลานั่งแล้วเกิดเห็นนู่นเห็นนี่ขึ้นมาก็ดึงใจกลับมาให้อยู่กับกรรมฐานถ้าไม่อยู่กับกรรมฐานแล้วใจจะไม่นิ่งไม่สงบจะเข้าสมาธิไม่ได้นั่งไปแล้วก็จะฟุ้งซ่านอีกรูปแบบหนึ่งฟุ้งซ่านจากการเห็นนู่นเห็นนี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีความสุขไม่มีกําลังที่จะไป ไปปฏิบัติท่านปัญญาเพื่อหยุดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ต้องเป็นสมาธิที่นิ่งสงบว่างเย็นสบายเวลาจิตสงบนี้จิตจะว่างเหมือนจอโทรทัศน์ที่ปิดไว้พอปิดเครื่องจอโทรทัศน์นี้ก็จะว่างไม่มีภาพไม่มีอะไรในใจเวลานิ่งใจสงบก็เหมือนจอโทรทัศน์ที่ปิดไว้ใจจะว่างแต่จะเย็นจะสบายจะมีความสุขจะไม่อยากได้อะไรจะ จะจะสามารถเอาไปใช้สู้กับความอยากได้ต่อไปนี่ก็คือวิธีการนั่งสมาธิโดยสังเกตแต่นั่งต้องอยู่กับกรรมฐานเมลัยมาปรากฏอย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้มีภาพมีเสียงมีอะไรมีความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้อย่าไปเกาอย่าไปจับอย่าไปขยับร่างกายให้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยว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 ถ้าสงบดีก็ให้จำวิธีที่นั่งเอาไว้ในวันนี้แล้วคราวหน้าเวลามานั่งก็ใช้วิธีนี้ได้ต่อเลยอย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้มันจะไม่สงบด้วยความอยากแต่มันจะสงบด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้วถ้ายังนั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกำลังน้อยก็ควรที่จะเจริญสติในระหว่างวันให้มากขึ้น พยายาเจริญพุโทโธพุโทโธไปในตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยทำสติได้มากเท่าไหร่เวลามานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งจะสงบได้ง่ายได้มากขึ้นและต่อนนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคาร เอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะิตังตุมหังคิตเมววสมิจโตสเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนาละโสยธามณิโชติละรโสยธาสพิตโยวิวัชจันโตสัพโรโควินัสตุ มาเตภวะตวันตราโยสุขีทีกายุโกผวะอภิวาธนสิลิะนิจังุทธาปจายโนจตารุธรรมวานติอายุวันโอสุขังภาลัง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 วันีวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนาคุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติสาม้อยสิบเก้าท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สองร o อยเก้าสิบเกดร v วห้าสิบเอดวิทยุออนไลน์สิบเอ็ด u ลับเฮา์เจนาคุติสองรสองร้อยหนึ่งรวมทั้งหมด8ปดร้อยแปดสิบแปดท่านค่ะคำถามจากทาง คำถามจากทางบ้านนะคะหนูเจอเหตุการณ์ที่คนมาโวยวายใส่แบบไม่มีเหตุผลถึงขั้นปรีจะมาทำร้ายคุณแม่แต่เนื่องจากคำถามค่อนข้างยาวจะขออ่านแบบให้กระชับนะคะแต่สามีคู่กรณีเข้ามาชาร์จทันหนูดูที่ใจแล้วความรู้สึกตัวนั้นมันเฉยไม่มีความคิดปรุงแต่ง แล้วก็ไม่ได้รู้สึกโกรธกลับมากลับมองเห็นว่าคนนั้นไม่มีสติควบคุมอารมณ์เรียนถามหลวงพ่อว่า ตอนนี้ขณะเกิดเหตุวิวาทะหนูไม่ใช่หนูไม่ได้ใช้พุทโธกดขมหรืออุบายสอนใจใดๆรู้ตัวว่าต้องพูดอะไรทำอะไรเพื่ออะไรคิดแค่นี้ค่ะแบบนี้ถือว่ากำลังสติปัญญาหนูพอรับได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช้เมคะถึงไม่มีความรู้สึกโกรธค่ะระดีนะแสดงว่าใจเราเป็นปกติไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเฉย นิวเบคาสักแต่ว่ารู้ไปข้อที่สองค่ะพอหนูได้เห็นกระยาคำพูดของคู่กรณีแล้วบอกตัวเองว่าเรามีปัญหากับคนบ้าแล้วะความรู้สึกในใจก็เฉยๆแบบที่ไม่คิดปรุงแต่งถึงเขาแค่คิดในมุมของเราว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร หนูก็รู้สึกดีว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคง อ, อาคาหาวิธีเอาคืนแต่ก็ไม่ได้ถึงกลับสงสารหรือเห็นใจคู่กรณีที่เขาเหมือนคนโรคประสาทแบบนี้ถือว่าไม่มีเมตตาใช่ไหมคะมันมีเมตตาด้วยเพราะเราไม่ไปทําร้ายเขา แ, แสดงว่าเราก็มีเมตตานะมีอุเบกขาด้วยเพราะฉะนั้นคอยมองทุกอย่างว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ เราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่ต้องไปทำอะไรเขาได้เราอยู่เฉยๆของเราไปคำถามจากทาง inbox ค่ะอภินยาสมาบาัตฝึกได้ทุกคนไหมครับมีจริตอะไรที่ฝึกไม่ได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้ศึกษามา คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะการทรงอารมณ์ในทางในพรหมิหารสี่ข้ออุเบกขาการวางเฉยสมมติว่ามีคนเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีถ้าผู้เห็นเหตุการณ์เล็งเห็นว่าหากเข้าไปยุ่งเพื่อระงับความไม่ดีนั้นจะมีภัยมาถึงตนจึงวางเฉยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกรณีนี้ถือว่าหลุดจากการทรงอารมณ์ข้ออุเบกขาหรือไม่คะถ้าวางเฉยได้ไม่เดือดร้อนก็เป็นอุเบกขา คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะช่วงนี้ลูกเพิ่งเสีย <atz> ล <nement> ูกชายไปลูกคนททำบุญแบบไหนถึงจะให้ถึงลูกชายได้รับเจ้าคะาก็ทำบุญใส่บาตรบริจาคเงินให้วัดโรงเรียนหรือโรงพยาบาลหรือให้ใครก็ได้ก็จะได้อุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ร่วงรับเป็นไปแล้วได้คำถามจากผู้รับฟังนากุติค่ะ หากเรามีจิตอกุศลที่ผุดขึ้นมาดใีใจโดยไม่ได้เจตนาทำให้รู้สึกผิดในใจมากจะจัดการความคิดไม่ดีที่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะก็สอนใจว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีเหมือนขยะเราก็ไม่ควรที่จะส่งเสริมมันเวลาเกิดขึ้นมาก็พยายามใช้สติยับยั้งมันใช้พุทโธพุทโธยับยั้งมันอย่าปล่อยให้มันออกมาทางกายทางวาจา คำถามฝากถามจากทางบ้านค่ะความกลัวเกิดจากอะไรคือว่าถือว่าเป็นกเรติไหมคะวิธีการแก้วความกลัวควรทำอย่างไรคะความกลัวมันก็ขึ้นอยู่ว่าเรากลัวอะไรทั่วใหญ่เราว่ากลัวตายกลัวเจ็บกันแล้วเราต้องฝึกตายฝึกเจ็บให้ได้ถ้าเรารับกับความเจ็บได้รับกับความตายได้เราก็จะไม่กลัวอะไร ที่สองสัมมาสมาธิมีอาการเป็นอย่างไรคะนิ่งเฉยเป็นโอเบคาสักแต่วรูข้อที่สามนิพพานังปร ม, งงมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญามีลักษณะเป็นอย่างไรคะอันนี้ต้องไปถึงที่นั่นก่อนแล้วก็จะรู้เองคาถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติคะ่ะ จิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเมื่อเข้าสมาธิแล้วจิตจะหยุดคิดนึกปรุงแต่งแต่พอออกจากสมาธิความคิดนึกปรุงแต่งจะกลับมาเหมือนเดิมต้องฝึกให้คิดทางปัญญาใช่ไหมครับถูกต้องคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้ารักษาศีลแต่ไม่ให้ทานจะทำให้จนไม่รวยแต่ในอานิสงส์ของศีลมีข้อ สีเลนะโพคะสัมปทาตรงนี้ต่างกับอนิสงฆ์ของทานอย่างไรครับก็เงินทองที่เราหามาได้ด้วยความสุดจริตก็จะอยู่กับเราไปจะไม่ถูกไม่สูญหายไปถ้าเราทำมาด้วยวามทุกจริตถ้าเราถูกจับเขาก็จะยึดรับไปได้ครับพระอาจารย์ค่ะอยากจะขอถามว่าการที่ เราอยากจะทํางานอยากจะได้เงินอืมเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวหรือว่าเลี้ยงตัวเองให้มันมากขึ้นมันเป็นกิเลสไหมคะถ้ามากเกินกว่าความต้องการของร่างกายก็เป็นกิเลสเป็นน้าหนักเกินนี่ก็เป็นกิเลสนะต้องดูว่าน้ําหนักที่เหมาะสมของร่างกายกี่กิโลถ้าห้าสิบกิโแล้วเราหกสิบกิโลนี่ก็จะเรียกเป็นกิเลสสิบกิโลต้องตัดการกินลงให้เหลือห้าสิบกิโล และถ้าเกิดว่า เ, เราไ ด, เได้พยายามะคะ่ะพยายามที่จะทำให้มันมากขึ้นเพื่อจะพอแต่ว่าไม่มากเกินไปแต่ว่าเรามีความดิ้นรนที่จะทำะคะ่ะมันก็เป็นเป็นความโลภแล้วมันก็ทำให้ใจเราไม่สงบใจเราวุ่นวายกับการพยายามที่จะหาเงินหาทองมาความสุขที่ได้จากเงินทองมันไม่คุ้มกับความทุกข์ที่เราได้จากการไปหาเงินทองมา ชูอยู่ตามมีตามเกิดสบายสบายดีกว่าตายไปก็อาอะไรไปไม่ได้คิดถึงค่ะและอีกคําถามหนึงค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเหนูเนี่ยค่ะคือว่าไม่แน่ใจบางทีรู้สึกแบบว่ า, วาอยากจะเข้าทางธรรมบางทีจิตใจตัวเองก็ยังยั ง, ยง อ, อยู่ในรักโลภโกรธหลงหรือว่าหรือว่ามีมความโลภอยู่ในตัวค่ะ ก็บางทียังไม่ทราบว่าควรจะปฏิบัติตนยังไงบางทีรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการเกิดทําให้เราเป็นทุกข์มากอะค่ะก็ลองทําสลับกันไปก่อนวันพระก็ไปอยู่วัดวันธรรมดาก็มาอยู่บ้านไปก่อนแล้วถ้าไปอยู่วัดแล้วมีความสุขมากขึ้น<ม>ก็อาจจะเพิ่มมันไปวัดมากขึ้นอนี้ต้องต้องต้องไปลองดูก่อนหรือไปชิมอาหารก่อน อาทิมหาห้า น, นี่อร่อยเดี๋ยวกลับไปบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นพอดีโอกาสไม่ได้ไม่ได้มาบ่อยค่ะเพราะว่าอวัดนี้อยู่ที่ทไหนก็ทําทําให้เป็นวัดได้ไมันจะป็นจะต้องเป็นวัดวัดก็คือที่สงบที่เราสามารถปฏิบัติธรรมได้ไม่มีใครมาลบโกนใจเราค่ะขอบพระคุณครับทางข้างหลังเดี๋นนยวพี่ถามก่อนก็ได้ครับผมครับ สวัสดีครับหลวงพ่อผมมีหนึ่งคำถามครับคือผมเองมีความคิดว่าคนเราทุกคนสามารถหยุดหยุดหนึ่งบ่วงบ่วงกรรมหรือหนึ่งบ่วงวัตาสงสารอะไรก็ตามนะฮะคือคือผมคิดว่าการไม่มีลูกเนี่ยคือเราสามารถหยุดบ่วงเวน้นบ่วงกรรมได้อีกหนึ่งบ่วงไม่ไม่ไม่รู้ว่าความคิดนี้ถูก คือเปล่าครับรแต่บวงที่เราต้องการจะหยุดก็คือร่างกายเรานี่อย่ามีร่างกายเพราะถ้ามีร่างกายก็ยังต้องทุกข์กับร่างกายของเราอยู่เดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกอย่ากำรร ม, มาเกิดครับตัดความอยากให้หมดไปจากใจแล้วความเกิดก็จะไม่มีต่อไปผมถ้าผมจะเ อ, อเห็นอย่างนี้ได้ไหมครับที่หลวงพ่อชี้แนะเมื่อกี้พอเราหยุดมีร่างกายแล้วลูกเราก็จะไม่มาเองโดยอัตโนมัติอัตโนมัติใช่ไหมครับหลวงพ่อ ก็ไม่มีเราไม่มีนัานกายเราจะไม่มีลูกได้โอเคครับผมงั้นผมขอขอขอบคุณมากครับกระจังเลยครับผมคําถามจากผู้รับฟังนะกุติค่ะคําว่าถูกคําว่าทุกก็เกิดจากสุขสุขก็เกิดจากทุกสองสิ่งนี้อยู่ด้วยกันคืออย่างไรคะไม่ใช่ทุกไม่ได้เกิดจากสุขสุขไม่ได้เกิดจากทุกทุกเกิดจากความอยากอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุก อยากได้แฟนแล้วไม่ได้แฟนขึ้นมาก็ทุกใจขึ้นมาอยากได้เงินแล้วไม่ได้เงินก็ทุกใจขึ้นมายันทุกข์ไม่ได้เกิดจากสุขทุกข์มันเกิดจากความอยากได้มีอยากมีความสุขอย่างหบพออยากมีความสุขแล้วไม่ได้ความสุขก็เลยทุกข์ขึ้นมาังนั้นถ้าอยากไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากมีความสุขอยู่ไปตามมีตามเกิดไปสุขบ้างทุกข์บ้างก็อยู่กับมันไปคาถามจากผู้รับฟังนะคุติค่ะ ช่วงนี้ตอนนอนจะมีความคิดว่าเราก็ต้องตายกันทุกคนแล้วตายแล้วจะไปไหนบางครั้งทําให้นอนไม่หลับจะจัดการกับความคิดนี้อย่างไรคะต้อหยุดความคิดด้วยการใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาจะนอนถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธไปสั้นระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่มีความคิดใจก็จะหลับถ้าปล่อยให้มันคิดมันก็คิดไปถึงสว่างเลยคําถามจากคุณรักจังค่ะ ถ้าในวันที่เป็นวันพระแล้วเราถือศีลแปดจะได้บุญมากกว่าถือศีลห้าปกติไหมคะมากกว่าสิงั้นจะไปถือศีลแปดแล้วไม่ให้เหนื่อยมันะคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะ การที่เรามีสติจับความคิดของต้นในการเพ่งโทษคนอื่นเกิดระดับเห็นกิเลสเห็นความไม่ดีในตนเองมากมายด้วยการดึงกลับมาหาคําภาวนาการกระทําเหตุเชน่นนี้พอจะเข้าข่ายการปฏิบัติที่ถูกทางบ้างหรือยังคะและต้องปฏิบัติต่อไปอย่างไรคะก็คนละ ง, งับเวลาเราไปเพ่งโทษคนอื่นเพราอการเพ่งโทษคนอื่นมันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราถ้าอยากจะเพ่งโทษให้เพ่งตัวเราเดียวกันเพ่งโทษของเราดียวกัน เราจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเราเองได้ถ้าเราไม่อยากจะเพ่งโทษก็หยุดมันก็ได้โดยการทําใจให้สงบคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะหลังจากที่เราไหวพร้าวสวดมนต์นั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วตอนที่นอนแต่ยังไม่หลับเราควรคิดถึงพุทโธไปจนกว่าจิตจะหลับไปเองไหมคะถูกต้องอย่าไปคิดให้อยู่กับพุทโธไป คำถามจากทางเฟ e บ o o k ค่ะระหว่างที่ผมนั่งสมาธิมีความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นมาวิตกกังวลจากการติดตามข่าวสงครามและเนื่องจากผมอาศัยอยู่ในจังหวัดที่ติดชายแดนล่าสุดคนที่อยู่ใกล้และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในชายแดนมีความเครียดถึงกับภาวะซึมเศร้าไม่สะดวกกับการไปทำบุญที่วัดควรฝึกจิตอย่างไรครับ คงสอนจิตว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาลุงพ้นความตายไปไม่ได้ไม่ตายด้วยอาวุธกระสุนปืนก็อาจจะตายด้วยอบัติเหตุอาจจะเดินแล้วลื่นล้มหัวล้มฟาดพื้นกตายก็มีนี่ความตายเป็นเรื่องปกติอย่าไปกลัวมันกลัวไปแล้วว่ทุกไปกเปล่าๆไม่สามารถห้ามความตายได้ดังนั้นให้หันยอมรับความตายยอมรับความตายได้แล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะรู้ว่าอย่างมากก็แค่ตาย แล้ววันหนึ่งก็ต้องตายด้วยกันทุกคนเชิญน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะบางทีหนูหนูไปเห็นว่าจิตหนูมันไม่ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรในนั้นมันไม่มีอะไรอยู่ในฟังรู้สึกแต่มาสงบสบายเจ้าค่ะาการที่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เรา เราจะไปทําให้เป็นแบบนั้นหรือหรือเปล่าเจ้าคะ่ะก็มันสบายหรือเปล่าสบายเจ้าคะา่ะแล้วเราต้องการความสบายหรือเปล่าเราต้องการความสุขแล้วไปต ร, แตรตงแบบนั้นเลทีนี้หนูกนก็เลยนึกว่าอ๋อถ้าเราทําทําสิ่งที่เราจริญจิตตภาวนาแล้วนั่นคื อ, น, น, คอนั่นคือจิตที่เราจะเจอใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ก็ทําให้เจอความสุขแต่แต่มันมาแค่แวบเดียวเจ้าค่ะทำน้อยไงต้องทําบ่อยๆไปบวชชีทําได้ทั้งวันเลยเจ้าค่ะ น้องกาดพาจารย์เจ้าค่ะคําถามจากทางเ facebook ค่ะถ้าเราเจอคนที่หนีคดีมาหลายคดีเราควรจะโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับตัวเขาดีไหมครับเขาจะได้ไม่ไปลักทรัพย์คนอื่นและไม่ไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นอีกต่อไปครับก็อยู่ที่เราถ้าเราอยากจะมีเวรมีกรรมกับเขาเราก็ไปรายงาน เขารู้ว่าเราเป็นคนรายงานเขาถูกจับเขาก็จะจองเวรจองกรรมเราต่อไปถ้าเราไม่อยากจะมีเวรมีกรรมก็ปล่อยเขาไปตามเนื่อของเขาไปคําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะพระอระหันต์คือผู้ที่มีกิเลสแต่ไม่ยึดหรือไม่มีกิเลสครับไม่มีกิเลสเถ้ามีกิเลสแล้วไม่ยึดมันเป็นไปได้ที่ไหนมีกิเลสมันก็ต้องยึดอ่เลย คำถามจากทาง yu-tube พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าพิจารณาความตายความพัดพรากจากบิดามารดามากๆแล้วจิตใจเศร้าหมองคุณได้เปรนมาพุทโธ ท, ทีๆแบบนี้ถูกต้องไหมขอรับแสดงว่าใจเรายังไม่สงบพอยังไม่แข็งพอก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาความตายมาฝึกสติทำจิตให้สงบเป็นสมาธิก่อนพอจิตมีสมาธิแล้วใจจิตจมีกาลังมีความแข็งและแข็งแกร่ง ก็ค่อยไปคิดถึงความตายต่อไปคำถามจากทางยู u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะหากอยู่ต่างประเทศไม่มีวัดให้ไปทำบุญจะปฏิบัติตัวอย่างไรคะก็ทำบุญที่บ้านก็ได้หรือไปหาที่ที่สงบคำว่าวัดนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นวัดที่มีพระอยู่มีพระพุทธรูปอะไรทำลองนี้ถ้าที่ไหนสงบเราสามารถฝึกฝึกจิตได้ที่นั่นก็เป็นวัดได้ คำถามจากทางเฟ e บ o o k ค่ะขณะที่นั่งสมาธิสักพักจะรู้สึกปวดขามากและจากเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาค่ะจะต้องทายังไงให้จิตสงบลงได้คะก็ต้องใช้สติให้มากขึ้นใช้คำบริกรรมให้ถีขึ้นให้บ่อยขึ้นอย่าไปคิดถึงความเจ็บปวดแล้วถ้าจิตไม่สนใจเดี๋ยวความเจ็บปวดก็จะไม่มารบกวนใจเราเราก็จะนั่งต่อได้ คำถามจากทาง Facebook ค่ะถ้าทำบุญหนังสือแล้วหนังสือนั้นเป็นหนังสือที่มีคำสอนที่ผิดควรจะทำอย่างไรกับหนังสือนั้นดีคะเช่นคืนแหล่งที่ได้มาบริจักหนังสือหรืออื่นๆดีคะของผิดมันก็เป็นอญยาผิดเนี่ยยาผิดเราทาอะไรเราจะให้คนอื่นต่อหรือเปล่าแล้วก็ไปทำลายมันเสียก็หมดเนี่ไปเผาไปฝังไปทำอะไรก็ได้หมดเลย ยังไม่มีคําถามใหม่ค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหมเพราะว่าเราจะเลิกแล้วนะถ้าไม่มีคําถามอย่ามาถามพอเลิกแล้วเข้ามาถามนะเพราะมันไม่สะดวกขออภัยด้วยถ้า อ, อยากจะถามก็มาถามตอนนี้ถ้าไม่มีก็ท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิตรพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด